Sam saranam garicha. ความเดิมตอนที่แล้วเจ้าชายสิทธาเสด็จเข้าไปในเมืองทรงพบเห็นคนเจ็บและคนตายยิ่งทำให้รู้สึกเวทนาและปรารถนาจากทางพนทุกนี้ในที่สุดก็ทอดพระเนตรเห็นสมนารูปหนึ่งมีจริยาสงบสารวมดูน่าเลื่อมใสและทรงคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางสรงคนพบคำตอบที่มีพระประสงค์ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป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 กลับมาแล้วหรืท่านเทวทูตทิศิผู้ข้าพเจ้าไปแสดงนิมิตเกิดแก่เจ็บตายและสมณะให้เจ้าชายสิทธัได้เล็งเห็นตามบัญชาของท่านเท้ามหาพรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านเทวทูตไม่ได้คอยดูผลหรืออย่างไรว่านิมิตของท่านได้ผลกับเจ้าชายหรือไม่เพราะถ้าเจ้าชายสิทธัตถ์ไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมก็ย่อมไม่บังเกิดผลอะไรนะท่าน อย่ากังวลไปเลยท่านสกา่าเทวราชเรื่องนี้สําคัญที่วาสนาเข้าบัวเรื่องอื่นมากกว่านะองค์อินทราเรื่องอนไดหรือท่านเทามหาพรหมก็เรื่องเฮีมา น, น่สีพระสวัตดิมานย่อมจะพยนิยามขัดขวางการบัประชาของชจ้าชายสิทธรรัตถ์อย่างเต็มที่โดยมีเจ้าชายธิวทัฒ์เป็นกําลังหนุ่เราจะได้เห็นกันว่าระหว่างบาปกับบุญฝ่ายไหนจะมีชยัย พยามารผู้ยิ่งใหญ่หรือาพาปรมโพธิษัทพระองค์นี้ พเพื่อจะมาดิแล้วตอบข้าสีว่าไอ้พวกชาวกะ บ, บิลพัดทัท้นหลายมันกําลังตั้งหน้าตั้งตาทาอะไรกันเป็นการใหญ่อะขอได้ใชะพวกนั้นกําลังขุดคลองส่งน้ําเพื่อชักนําน้ําจากแม่น้ําโลฮีนีให้ผ่านไปสู่เลือกสวนไล่นาของชาวกระ บ, บิลพัดพระเจ้าค่ะบางคนก็ใช้ภาชนะตักน้าบรรทุกเกวียนเพื่อนําไปบริภโภคอุปโภคเป็นน้ําดื่มน้ําใช้พระเจ้าค่ะ แล้วมีใครเชืจะขออนุญาตข้าเทวทัตที่ควบคุมดูแลกันบ้างไหมเห็นข้าเป็นโหล่าหตหรไงไปพวกเจ้าออกไปสั่งห้ามพวกมันเดี๋ยวนี้แล้วถ้าไม่มีใครเชื่อฟังจะทำอย่างไรดีพระเจ้าค่ะถ้าพูดกันด้วยบาตดีๆไม่ได้ก็ใช้กำลังหรืออาวุธเส้ใช้ดาบทวนธนู ดูสิว่ามันจะมีใครกล้าไม่ฟังไหม เกิดแก่เจ็บเจตายเราหมายจะหลีกหนีจากทุกขเวทนานี้เราจะมีวิธีใดหรือจะหาทางบรรลุได้เช่นสัมมนาูปนั้นขวายบังคมพระเจ้าค่ะเจ้าเข้ามาทรงสิ่งองอะไรเจ้าชายกำลังทรงข้าชานสมาธิอยู่เห็นไหมไม่เป็นไรช น, นะให้เขาเข้ามาได้ มีเรื่องอันใดถึงเข้ามาหาเราด้วยความรีบร้อนเช่นนี้รีบกับทูนไว้สิจ้าหาเล็กเด็กใหมย่ยังชักช้าอยู่ได้ไม่ได้ยินที่รับสั่งถามเรื่องให้กัน ด, ดีแล้วพี่ชนะข้า พ, พุทธเจ้านำรับสั่งขององค์เนื้อหัวมาเชิญเสด็จเจ้าชายสิทธะพระเจ้าค้าถ้าบอกสเตลแรกเจ้าชายก็เด็จไว้ตั้งนานแล้วละ่ะว่าแต่มีรับสั่งเรื่องอะไรกันละ่ะไม่ไมต้องเล่าให้เสียเวลาแล้วละ่ะ เราจะรีบไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเดี๋ยวนี้เกิดคดีที่ชายแดนทางทิศเหนือของเมืองเรากับกรุงเทวทห เรื่องอะไรเลพระเจ้าข้าเสร็จพอมีการชิงน้ําที่ต้นแม่น้ําโรหีนีจนถึงขั้นทหารของกรุงเทวธาหะทาร้ายชาเเวเมืองกุมภละพัดโดยมีเทวทัตเป็นผู้คุมกําลังข้างนั้นแต่เราเคยแบ่งปันน้ากันได้ไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะกุมนั่นน่ะสิแต่เมื่อฝ่ายเทวธาหะละเมิดข้ อ, ขอตกล ง, งอย่างนี้เห็นทีทาเราก็คงจะยอมไม่ได้ใช่ไหมปัจชามณี หม่อมฉันไม่กล้ามีความเห็นเพคะเสด็จพี่ทางนี้ก็เป็นเมืองของเสด็จพี่ส่วนทางนั้นก็เป็นเมืองของเสด็จพ่อและพระเชษฐาสุ ป, ปพุทธะลูกเข้าใจความลำบากพระไทยของเสด็จแม่เช่นเดียวกับความยุ่งยากใจของพิมพาแต่ว่าหญิงเมื่อแต่งงานมาอยู่บ้านสามีย่อมถือเป็นคนของที่นี่และสามีเป็นใหญ่ แล้วแต่ลูกและเสด็จพ่อของลูกจะตัดสินพระไทยก็แล้วกันนั่นคือพ่อใจยเจ้าเป็นคนตัดสินใจแล้วเราจะไปไประชุมสภาเมืองด้วยกันเดียวกันเพื่อฟังเสียงมุขมนตรีและสมาชิกสภาทหลอดว่าเสียงส่วนใดจะลงมติเป็นประการ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะจบลงด้วยการเจราจาในฐานะที่เรากับเทวทหะต่างก็เป็นเสมือนเมืองพี่เมืองน้องและมีความปรองดองกันมาหลายสิบปีเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีความคิดเห็นเช่นนี้สมาชิกท่านอื่นจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดเชิญแสดงออกมาได้เลยท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นทางสมาชิกสภาและขุนทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการเจรจาโดยสันติวิธีของเจ้าชายโพระเหตุใดเลยท่านขุนพลขอเดชะข้าพุทธเจ้าคิดว่าที่ฝ่ายเทวทหะทำร้ายชาวเมืองเราเพื่อชิงน้ำไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่สำคัญของเขาพระเจ้าค่ะแต่แท้จริงแล้วต้องการทดสอบกำลังฝ่ายเรามากกว่าท่านโปรดอธิบายขยายความต่อสภายชัดเจนกว่านี้ได้ไหมท่าน ได้เลยท่านนามานกาลุทายีถึงแม้สองเมืองเราจะมีไมตตีกันแต่ชาวเทวธหตนั้นมักจะคิดว่าชาวกระบินลพัดเรามองตนเองเหนือกว่าจึงหาเรื่องประลองกำลังดูสักทีถ้าเราไม่มีความพร้อมและยอมเจรจาพวกเขาก็จะยิ่งกล้าและได้ใจกลายเป็นได้คืบเอาศอกหาทางให้เราเป็นเมืองออกของเขาจนได้ แล้วท่านขุนพลคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรใช้กำลังทหารจัดการให้เด็กขาดพระเจ้าข่าเจ้าชายการทำศึกเหมือนกับการสาดน้ำรดกันไม่ว่าจะมีชยหรือพ้ายแพ้ทั้งสองฝ่ายย่อมเปียกหรือเสียหายนั่นคือการบาดเจ็บล้มตายไม่น้อยสามีต้องจากภรรยาที่เป็นไม้พ่ออาจต้องตายจากลูกเมีย ที่กลับมาได้ก็อาจเสียแขนขากลายเป็นคนพิการผู้พลภาพก็มีเราไม่อยากเห็นชาวเมืองเราและผู้ใดตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่ทหารทั้งหลายถือเป็นหน้าที่และไม่เห็นด้วยกับความคิดของเจ้าชายพระเจ้าค่ะมเมื่อความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายกาในฐานะประธานสภาแห่งนี้ก็ต้องให้มีการออกเสียงเพื่ตักส และต้องยอมรับสี่งข้างมากในสภาเป็นมติที่ทุกคนต้องป แล้วสภาออกเสียงไปข้างไหนลงมติให้ใครเพคะาเสด็จพี่สภาส่วนใหญ่เทเียงให้ท่านขุนพลที่เสนอให้มีการทำศึกสิพิมพานอกจากนี้เสด็จพ่อยังทรงประกาศว่าจะทรงสถาปนาแต่งตั้งที่เป็นราชาแห่งกรุงกบิลพัทซึ่งหมายความว่าพี่จะต้องเป็นจอมทัพนำการรบครั้งนี้ในทันทีสเสด็จพี่ ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรอกน้องหญิงเรื่องความขาดไม่มีอยู่ในหัวใจพี่จริงๆและไม่คิดว่าจะปลาชัยหรือพ่ายแพ้แต่พี่กลัวอย่างยิ่งคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันเป็นบาปเพราะการปราบทหารเทวทหักคือจะต้องเข็นฆ่าชีวิตมนุษย์ไปอีกมากมายโดยหลีเกเลี่ยงวม่ได้พี่ตรองไม่ตกว่าจะทาอย่างไรดี สงค่อยๆคิดสิเพคะหม่อมฉันเชื่อว่าจะต้องทรงหาทางแก้ไขปัญหาได้เวลาเหลืออีกไม่มากเท่าไหร่แล้วนะเราจะแก้ไขอย่างไรดีเราจะทรเสด็จพี่เสด็จออกไปช้าๆด้วยท่าทางท้าไทยเลื่อนลอยเราได้แต่มองตาโดยไม่รู้ว่าจะช่วยยังไง ได้แต่หวังว่าเสด็จพี่สิทธัตถะจะทรงแก้ไขปัญหานี้ ไ, ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกิน ยินไหมประชาบดีที่เป็นคนพูดกันว่าจงหาทางพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหมายความว่าอย่างไรพี่คะเสด็จพี่ก็ตอนนี้เรามีปัญหากับพวกทิวาธาอาจถึงขั้นต้องทำศิษย์ว่าทุกรุ่กันนั่นนะสิพี่คะหม่อมฉันก็ไม่สบายใจอยู่นี่หลังจากที่สภาลงเสียงส่วนใหญ่ให้เรียกรบพี่ก็เลยสโอกาสสถาบนาศิษยัดทอเป็นกษัตริย์แห่งกรรมยุทภักดิ์แทน ลูกต้องมีหน้าที่ลำทับและวุ่นวายในการทําศึกก็จะเลิกไถึงเรื่องเหลียวไหลคือดแ ก, ก่จิตายในบ้านและก็เลือกนั่สมาธิเข้าฌานอย่างพวกนักบวชเสถีเพราะเวลาทั้งหมดที่มีต้องทุ่มเทให้กับการทําศึกสงฆ์ธรรมใช่ไหมพค่ ะ, ะเสด็จพี่อืมถูกต้องแล้วประชามาลีแล้วพี่ยังสั่งให้สร้างประตูตำหนักของสิทธธรรมให้มีขนาดใด เกินกว่ากําลังคนคนเดียวหรือสองสามคนจะเปิดและสั่งให้ทหารคอยจับตารัวูปของเราทําไมหด็กเพชรคะหรือ่องเกงว่าลูกจากหาทางหนีเราการพิก่อนก่อนหรือว่ า, วานะเาป็นการตัดไฟแต่ต้องกระไดสิทธาิธาเป็นกระสับออกไปรบเมื่อไรจะต้องเป็นวันนและยังไม่นอนก็ต้องดารงตําแหน่งจกักรพรรดิรอดอันยิ่งใหญ่ เทวีไหบังคมเพคะมีอะไรหรือรัศมีเราให้เจ้าไปอยู่ที่ตำหนักพระชายาเพื่อคอยฟนิบัติรับใช้แล้วนี่นาะเพคะพระไม่เหสีแต่ที่หม่อมฉันมาก็เพื่อจะกราบบังคมทูลว่าพระชายายโสทรมีพระประสูติการแล้วเพคะแล้วมาบอกเราทำไมรีบไปทูเจ้าชายสิท่าาทสิ ถ้เาเป็นพ่อควรจะพู้กฎขานยอรินล้ะนางกำนันเกษณีไปกราบทูลให้เจ้าชายทรงทราบแล้วไปคะนับว่าเป็นข่าวดียิ่งกว่าข่าวใรข่าวนี้สิทธาจะมีทางเปดดง็น้วก็ได้จังสมชจกันละ ขอเดชะมีทหารนำประตูเหล็กหนามาติดที่หน้าพระตำหนักพระเจ้าคะ่ะเจ้าคงเข้าใจคำว่านกในกรงทองดีแล้วใช่ไหมชั้นลนะแต่เจ้าชายคงไม่คิดจะเสด็จหนีเอ๊ะนั้นนางกำลังเกษินีพระพี่เลี้ยงของพระชายา ก, กำลังรีบเดินมาทางนี้ถวายบังคมเพคะมีอะไรหรือเกษินีทำไมมาหาเราที่นี้ได้หม่อมฉันจะมากราบทูลว่า พระจายาทรงมีพระประสุติกาลพระโอรสแล้วเพคะโอ้ลาหุนเกิดบ่วงอันใหญ่ครองเราเอาไว้อีกแล้วสินะ พระโอรนะสน่ะทรงมีรับสั่งว่าราหุลแล้วก็ทรงพึมพำอะไรหม่อมฉันได้ยินไม่ถนัดเพคะคงจะตั้งชื่อพระโอรสนะราหุลก็เป็นนามที่ดีบูก็ขอตั้งชื่อลานชายคนนี้ว่าเจ้าชายราหุลด้วยก็แล้วกันแล้วเสด็จพี่สิท ธ, ธัตถะไม่ทรงคิดจะเสด็จมาดูหน้าลูกชายของพระองค์หรือไงอิ่งน้อยใจไปเลยพิมพ์พา ดูนั่นใครกำลังรีบมาทางนี้เราออกไปให้พ่อแม่ลูกเขาอยู่กันตามลำพังเถิดไปคะเสด็จพี่ไปสิประชาบรีเอา้าพวกเจ้าด้วยดิสนียรัศมี เป็นอย่างไรบ้างน้องหญิงเขาว่าการคลอดบุตรเป็นสึกใหญ่สำหรับสตรีจริงๆแต่พอเห็นหน้าแล้วรู้ว่าลูกปลอดภัยความเจ็บปวดของแม่ก็พลันหายไปเลยพี่คะเป็นพระกรุณาที่เสด็จมาเยี่ยมลูกและหม่อมฉันเป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเหมือนกันนะพิมพาเพียงแต่พี่มาช้ากว่าเสด็จพ่อและเสด็จแม่เสด็จพ่อทรงตั้งชื่อลูกว่าราหุลพคะนับว่าเป็นชื่อที่ดี มีความหมายคืนนี้พี่ค้างแรมกับน้องหญิงและลูกก็ได้ส่งราหุลมาให้พี่ขอลองอุ้มดูกสักทีสิลูกไม่ร้องเลยพี่คะเสด็จพี่คงยินดีที่ได้อยู่ในอ้อมพระกรรของเสด็จพ่อขอให้เป็นอย่างนี้ไปนานๆเถอะพีคะราหุลของพ่อเจ้าคือบ่วงที่พันคอพ่อไว ทำให้พ่อตัดสินใจลำปากยากยิ่งขึ้นไปทุกที กด้ของแจ้งข่าวที่เจ้าชายสิทธาได้พระโอรสแล้วสินะการุไทยพระเจ้าค่ะถ้าพระพุทธเจ้าขอแสดงความยินดีที่องค์เหนือหัวไม่ต้องทรงเกรงกลัวท้อยคำพยากรณ์ต่อไปเพราะเจ้าชายได้มีบ่วงอันใหญ่ผูกพันเอาไว้แล้วพระเจ้าค่ ะ, สะเสด็จพี่กับเราจึงขนานนามพระโอรสองค์น้อยว่าเจ้าชายราหุล น, นับว่าเป็นบุญแห่งสากรวงย์ ที่ทรงมีบ่วงอันสำคัญนี้พระเจ้าค่ะข้าก็คิดเหมือนเจ้าการุธานเมื่อสิท ธ, ธิฐาติดข้องอยู่ในบวงนี้จนถึงกับประทับคางแรมด้วยพิวผ า, าย่อมแสดงว่าราหุนเป็นบวงที่มีความหลายข้าจึงให้เจ้านำดารณีงามทั้งหลายเข้าไปถวายความบำเิลในการต่อรุกของข้าอีกคนเพื่อเพิ่มเงื่อนปมผสมบวงใดให้ตวรัษแน่นจนเจ้าชาย ไม่อาจหลุดรอดไปได้เจ้าคงไม่ทำให้เสด็จที่ทรงผิดหวังใช่ไหมกาลุทายีข้าพระพระุทธเจ้ารับด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะองค์เหนือหัวและพระมเหสีและจะรีบไปจัดการตามพระราชประสงค์ในเวลาเดียวนี้เพราะเจ้าค่ะ นายผู้แสดงสัจพจน์สีหเมธีปันธรัตพลเกียรติบุรชสนสันศีศริยาภร์วรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสเสถียนธานิดศสีสินรัต น, น์ตเกณิณิตรืองสีสุพิศราพัฒนเจริญพิทยารักสุทธิพัฒน์อ่อนปรางจรุพัฒเสเวตรรัตโชติกาเสเวตรรัตอ่อนวีนาเจริญพิทยารักนัทพงศ์วัฒนบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพุษสีหาเมธีอานวยการผล